ทางที่จะทำบุญมีอยู่มากมายได้บอกเมื่อกี้ว่าบุญนั้นมีมากการทำบุญไม่ใช่เฉพาะทานเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยสรุปอย่างสั้นที่สุดว่ามีสมคือบุญกิริยาวัตถุสาได้แก่หนึ่งทาน 2. ศีลสภาวนา อย่างที่พูดไว้ตอนต้นแล้วทีนี้ต่อมาพระอัฏฐกถาจารย์คือพระอาจารย์ผู้เรียบเรียงคำผีอธิบายความหมายของพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกคงอยากจะให้ญาติโยมเห็นตัวอย่างมากๆท่านจึงขยายความให้กว้างออกไปอีกเพื่อเห็นช่องทางในการทำบุญเพิ่มขึ้นท่านจึงเพิ่มเข้าไปอีกเจ็ดข้อรวมเป็นบุญกิริยาวัตถุสิบซึ่งขอนำเอามาทบทวนกับญาติโยม ในฐานะที่เป็นผู้ทำบุญอยู่เสมอต่อจากบุญสาคือฐานศีลภาวนาข้อที่สี่อาปัจญานะใหม่ทำบุญด้วยการให้ความเคารพมีความอ่อนโยนสุภาพอ่อนน้อมให้เกียรติแก่กันเคารพยกย่องท่านผู้มีความเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงด้วยคุณธรรมความดีเป็นต้นหรือที่นิยมกันในสังคมของเรา เคารพกันโดวยวัยวุธชาติวุธและคุณวุธแต่ในทางพระศาสนาถือว่าคุณวุธสำคัญที่สุดอปัจายนะใหม่นี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเพราะเป็นการโน้มใจไปในทางที่จะฝึกตนและเป็นการช่วยกันรักษาสังคมนี้ให้เราอยู่กันด้วยความรู้สึกที่จะเอื้อเฟื้อทำให้มีความสงบร่มเย็น ถ้าในสังคมไม่มีการให้เกียรติไม่มีความเคารพกันก็จะวุ่นวายมากจิตใจก็จะแข็งกระด้างโน้มไปในทางที่จะกดจะข่มกันคอยจะก้าวร้าวกะทบกระทั่งกันเรื่อยแต่พอเรามีความเคารพให้เกียรติกันมีความสุภาพอ่อนโยนจิตใจของเราก็นุ่มนวลโน้มเข้าไปในทางของการฝึกตนการเป็นอยู่ร่วมกันก็ดีบรรยากาศก็ดี งดงามเป็นสุขบุญก็เกิดขึ้น